ท่านสาธุช น, นท่านสาธุชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราของมโหสถบัณฑิตเป็นอ น, นววาเมื่อท่านมโหสถได้ทรงไปเจ้าอิเทหาราชพร้อมได้คณะที่พูดมาแล้วก็หวังว่าอย่างคงไม่ลืมไปแล้วเพื่อสามร้อยลำสามร้อยลำนะที่นำเสด็จ ก็เลยลอยและล่องเล่นมาตามมาถึงที่บ้านที่มโหสถสร้างไว้ทุกระยะหนึ่งยอคือหนึ่งร้อยเส้นมโหสถสร้างไว้หนึ่งยอมีภาชะเสร็จอันดาคนที่มโหสถวางไว้ประจําบ้านก็ได้จัดภาชะช่างมา้ารถและอาหารถวายเมื่อพระราชาสเสด็จขึ้นจากเรือพรอ้อมไปด้วยคนติดตามทรงช่างกับ ก็ัตว์ทสี่พวกนั้นก็ขึ้นช้างขี่ม้าขี่รถตามสเสด็จทรงเรื่องระยะเป็นอีกหนึ่งยศก็ให้ภาชนะทั้งหมดกลับแล้วก็เปลี่ยนภานะอื่นต่อไปเป็นระยะทางอย่าง น, นี้ระยะทางถึงหนึ่งร้อยยศจนถึงเมืองมิเชลามหานครคือนนั้นมโหสถดบัณฑิต เมื่อกลับจากส่งสันเดชพระเจ้าวิเทยรราชกลับเมืองมิจฉามหานครแล้วก็กลับเข้ามาสู่อุมโมงเรื่องดาบที่ตนเนบออกไวเขาแกเอาบ อ, อก อ, อ, อก่อหมายความเวลาในขาจสะพายดาบไปฐานะเป็นแม่ทัพ <c oughs> รื่งดาบเรื่องดาบที่ตนเนบไว้ออกแล้วก็คุยทรายที่อุมโมง เอาดาบฝังไม้ในทายเสร็จแล้วก็เดินไปทางอุโมงออกจากอุโมงก็เข้าไปในเมืองที่สร้างไว้ซึ่งให้ชื่อว่าอุปการะนครเตรียมเครื่องแต่งตัวบริโภคอาหารและคนเข้านอนแบบส บ, สบายคนเราเนี่ถ้ามีปัญญาสี่อย่างเดียวมันไม่มีอะไรหนักไม่ใช่ฟังที่เพียงคำเขาว่า ลูกหลานที่รักเรื่องรัฐทิการปกครองไม่มีความสําคัญจะเป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชมีกษัตริย์ปกครองมีอานาจเต็มที่ก็ตามเป็นประชาธิปไตยก็าตามแบบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขก็าตามประชาธิปไตยที่เป็นประธานมีประธานาธิบดีปกครองก็าตามเป็นรัฐทิคอมมิวนิสต์ก็ตามเป็นพรรคการก็ตาม เรื่องรัฐิการปกครองไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่เพียงว่าคนที่เป็นรัฐบาลดีหรือไม่ดีดีหรือเลวถ้าคนที่เป็นรัฐบาลดีแล้วข้าราชการทั้งหมดดีหรือเลวตั้งแต่พระราชวงศ์ลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันดีหรือเลว ในความสุขของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ดีหรือเลวของบุคคลเท่านั้นลัทธิไม่มีความสําคัญถ้าว่าคนเวลวเราจะเปลี่ยนลัทธิจากลัทธิที่ก็มีกษัตริย์ปกครองมีกษัตริย์เป็นบระมุกไปเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีเข้ามาเป็นระยะๆะะแต่เกิดกลายเป็นเหลือพวงใหม่เรือพวงเก่าหิวอิ่มแล้วเลือพวงใหม่มาก็กินใหม่ เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนไปต่างคนก็ต่างหวังความร่ารวยเราก็มันไหลหากว่าจะเป็นลทัทธิอื่นเช่นลทัทธิคอมมิวนิสต์ถ้าคนที่เขาปกครองเราก็มีศีลมีธรรมมีความเมตตาปราณีพวกเราก็จะอยู่เป็นสุขแต่เขาทึกเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ชอบใจมันเลยเขาสามาประหารชีวิตได้อย่างสมเหตุ ตะม็นมีคนไม่กี่ล้านคนตายตั้งล้านเศษยุโรามีคนไม่กี่คนพรลทธิคนนี้เขมาปกครองก็ฆ่ากันตายเป็นล้านเศษย า, าเทศจีนตายเป็นกี่สิบล้านยานิวันดีไหม ล, ลูกหลานที่รักเป็นอันว่าลทัทธิการเมืองไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยงคนบริหาร ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีลงมาถึงผู้ช่วยรีบ้านให้เป็นคนดีก็แล้วกันฉะนั้นลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศถ้าหากว่าบุคคลใดไม่ดีก็ช่วยกันเก็บเสียวิธีเก็บนี้ไม่ใช่ยิงและวิธีเก็บไม่ใช่ฆ่าเราใช้วิธีแบบสันติวิธี เร้องเรียนผู้ใหญ่เข้าไปให้ถอดถอนเสียคนไม่ดีอย่าขอย้ายถ้าย้ายจากที่นี่เขาไปจะไปโกงที่โ่นย้ายจากที่โนนไปที่นั่นก็ไปโกงที่นั่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างเดียวคือว่าให้เขาเป็นคนดีต้องการความดีเท่านั้นลูกหลานที่รัก แยวกันใหม่เวลา่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าจนนุลนีจัดกำลังกองทัพล้อมอุปกรณ์อุปการะาละครอยู่จนกระทั่งสว่างไม่ได้ทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทยรราชหนีสเสด็จสเสด็จหนีไปแล้วพระองค์ก็ทรงช้างพระที่นั่งตอนนี้มโหสถนอนสบาย ใน้ทรงบัญญัติบัญชาการให้ทหารยกกองกําลังเข้าบุกอุปการนานครข้าะเจ้าวิเทหราชจึงทรงรับสั่งขึ้นได้ก็เสือเสียงอันดังว่าข้อทหารจงบุกเข้าทําลายเมืองเสียและจับพระเจ้าวิเทหราชมาให้ได้เมื่อพระศดนอนอยู่ได้ยินเสียงแ ว, แ ว, ะวะ่วๆว่าให้จับให้จับ ยังลุกขึ้นแต่งตัวด้วยเครื่องแบบอันสง่างามแล้วก็เปิดบัญชอนคือเปิดประตูเขาศาสตร์มองดูไปเห็นใบเจ้าจุนนีพรมทักษ์กำลังสั่งาหารโบกเวกโบกเวกยังได้เดินเยื่องกลายด้วยท่าทางอันเสื่อมพายมามือเปล่านะนี่ดูคนมีปัญญาเขาทำกันอย่างนี้ นีก็ทำในสันติวิธีอย่าไปเดินขบวนอย่าไปสตรเดินขบวนก็ดีสตรายก็ดีมันเป็นการยับยั้งผลรายได้ของประเทศและคนที่ตกหนักก็คือพวกเราของขาดของน้อยลงไปของมันก็แพงพวกเราเองเท่านั้นเป็นผู้จะรับความทุกข์คนที่เขากงเขากินเขามีเงินมากเขามีความสุขเขาไม่หนักใ่ พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นโมโหสถแต่ไม่เห็นพระเจ้าวิเทหราชก็ยังไม่พอใจไทยหนักขึ้นเรื่องสช่างหวังจะให้จับมโหสถให้ได้มโหสถนึกในใจว่าพระเจ้าจุลนีเฉลยจะไม่ทราบว่าเราได้จับพระมเหสีพระราชบดพระราชธิดาและพระราชมารดาทรงไปเมืองมิถิลานครแล้ว เราควรจะทำความเข้าใจกับพระองค์สีก่อนคิดแล้วจะได้ยืนตรงหน้าต่างราบทูนกับพระเจ้าวิเทราชได้เสียงอ่อนหวานวา่าแหม่นี่เล่นอย่างนี้ที่ถึงจะแน่เขาจะหลาดแ น, น่เห็นไหมละก็ไม่ใช่ฉลาดแล้วก็แกมโกงต้องฉลาดทำงานเพื่อชาติจริงๆทำงานเพื่อส่วนรวม จงตัดสินใจว่าถ้าเราจะตายแต่ผู้เดียวหรือว่าเราคนกลุ่มน้อยจะตายแต่ถ้าว่าคนกลุ่มใหญ่อย่างาเทศไทยเรามีคนอยู่44ล้านคน้าวผู้เราไม่กี่พันคนจะต้องตายเพื่อบัรดาลญาติพี่น้องท้งไหลายสี่สิบล้านคนเสร็จ ย, ยังมีให้มีความสุขแล้วก็เราพร้อมตายเช่นมโหสถ ได้ฟังเขาไปว่ามาโหสถกราบทูลว่าข้าแต่สมติเทพพระองค์จะดนใสายช่างพรนินางมาทำไมพื่อาการของพระองค์ดูร่าเริงเห็นะาทรงสาราญว่าไทยนะมีความสาคัญว่าจะมีชัยชนะเป็นของพระองค์อย่างนั้นหรือเพ่เจ้าข้านะเอาวันแล้วยั่วกันมันต้องเล่นกันท่านนี้นะหวาน ออกไปหวานแต่ข้างในขมดีไม่ดีกลายเป็นยาพิษต้องใช้วิธีอย่างนี้การฆ่าคนต้องฆ่าโดยชนิดเลือดเยน็ยนๆหน้ายิ้มยิ้มจะไปถึงแล้วก็ยกมือไหวแสดงการเคารพพูดจาปราศัยได้อ่อนหวานเป็นสัมโมติยกถาสัมโมติยกถาแปลว่าวาจาที่กล่าวเป็นที่รัก ขืนใจฟังแล้วก็เปิงนใจพูดมาพวกฝ่ายยิงแสกหน้าเลยตายไปเลยเอาอย่างนี้สบายๆนิ้วไหนร้ายตัดเฉพาะนิ้วนั้นคนเลวในประเทศไทยสังหารใช่ไม่กี่คนนี่ไม่ได้บอกให้ฆ่ากันนะสังหารไม่กี่คนคนเลวต่อไปก็สถทานไหมกันอย่างกับสมัยหนึ่งที่มีขัีการท่านหนึ่งท่านใช้วิธีเก็บคนที่มีสติทาลายชาติ ด้วิธีเก็บหายเก็บหายเวลานั้นเล่นเอาพวกเราสบายไปขักหนึ่งนั่นเป็นวิธีการของท่านการสาหรับบรรดาลูกหลานที่รักอย่าใช้วิธีสังหารแบบนั้นเลยจงสังหารแบบมโหสถโ ด, ดยใช้ปัญญาสังหารได้สันติอิทีเพียงเท่านี้พอแล้วเราจะไม่ต้องเสียชีวิตคนไทยด้วยกัน แต่ว่าเราจะสังหารเขาซึ่งมีความชั่วสังหารความชั่วให้หมดไปให้ตั้งอยู่ในได้ข้าความดีอย่างนี้ประเทศเราจะไม่สูญเสียชีวิตไม่สูญเสียกำลังและก็มีความสุขต่อไปมโหสถทิ้งกราบทูลไปว่าค่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐผู้ทรงจอมใบชาก่อรรัษฎรทิ้งลูกศรเสียเถอะ นาเกาะโงคราวนั้นออกเสถ่ีเจ้าค่ะคือการถือธ น, นูถือลูกศรไม่มีประโยชน์การสเงเกาะเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าจุลนีได้สดับคําของโมโหสดก็ทรงเกิดจัดกริ้วจัดเนี่ยโมโหสดพูดเย้ยหยันเห็นโมโหสดพูดเย้ยแบบนั้นยังม่ทรงแต่ตัว่าเจ้าผู้มีดวงหน้าผ่อง คล้ายดวงจันทร์บัดนี้มรณะสัญญาได้ปรากฏกับเจ้าแล้วและคนที่จวนจะตายยัมมีผิวพรุ์ผ่องใสปรากฏอย่างนี้นั่นแน่แจวเหมือนกันท่านพูดดีเหมือนกันคนนี้กายที่ได้รับพระราชบัญชาจชากพระเจ้าจุรนีให้บุกตัวเมืองไม่เห็นพระเจ้าจุรนีจะว่าหอสดสนทนากัน ก็อยากจะทราบว่าคุยกันเรื่องอะไร้ไอ้คนั้นก็เลยหยุดจึงหยุดฟังความอยู่ใ ค, าคลายกับพระราชาของตนโอ้โหโสอยก็กราสทูลว่าข้าแต่ขติยาราชถ้าดำรับที่พระองค์คุกขามันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าข่าอาล้วสิแม่ลนะไม่ปัญญาที่อย่างเดียวนะใช้ปัญญาแทนอาวุธโลกหลานที่รักจําให้ดี พระเจ้าวิเทหราชท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชที่เป็นองค์จะสั่งจับนั้นน่ะไม่มีตัวอยู่แล้วไม่มีประโยชน์เลยในการสั่งจับพระเจ้าวิเทหราชเหมืนก็ม้าสินทบฮะซึ่งม้ากระจอกมันไล่ไม่ทันนี่เปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าวิเทหราชมันม้าสินทบถ้าเปรียบเทียบยนนพระเจ้าจุลนีธรรมทัตเหมัอนก็ม้ากระจอกมันเจ็บใจไหม พระเจ้วิเทหราชพร้อมไปด้วยอ ม, มาตถยราชบริพานถ้าด็จข้ามคงคาไปแต่วานนี้แล้วกาบินไล่ตามหงจะตกในระหว่างทางชั้นใดหากพระองค์จะติดตามพระเจ้าวิเทหราชก็จะตะลึงจะตะะลึงตกทิ้งความพินาศชั้นนั้นโอ้โหสุนทรีจอกเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามรด เห็นดอกทองกวาวบานในราตรีก็มีความสำคัญว่าชินเลยอ่ะใครจะกินชั้นดงอาทิตย์ขึ้ น, นสุนัขกินจอกจึงเห็นว่าดอกทองกวาวเลยก็แล้มัอยากจะกินเห็นเป็นดอกทองกวาวเลยไม่อยากจะกินชั้นใดข้าแต่บรมกษัตริย์องค์ทรงล้อมล้อมพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ณที่นี้ ก็ทรงหมดหวังที่จะจ ะ, สะเสด็จ ก, กลับไปนะก็ทรงหมดหวังที่จ ะ, สะเสด็จ ก, กลับไปเหมือนสุนัข ก, กินจอกหินดอกทองกวาไม่ใช่เนี้อก็หมดความอยากกิงกลับไปฉะนั้นแม่นี่ขันดากันชัดๆนะเอาอย่างนี้นะลูกหลานที่รักใช้วิธีการป ร, ราบคนโชั่วในสันติวิธี พระเจ้าจจนนีพรมทัดเดชรดับคําอาไม่ขัข้คราม ข, ข, ของมโหสถจึงทรงดํำดิว่ามโหสถนีก่กล้าโคตรเหลือเกินมโหสถคงให้เจ้าวิเทียให้พระเจ้าวิเทยียราชหนีไปอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ทรงพระมะโหโกราคาเริ้วมากรับสั่งกระดานว่าจะหามทั้งหลายจงจับมโหสถตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมกูก แล้วก็เหลาเสียบทวารธนุ ป, ปากนําไปย่างกับไฟพระเจ้าเอ้ยถ้าเหลาเสียบแล้วมันก็ตายแล้วไปย่างกับไฟไมันเหนื่อยทําห อ, อกอะไรก็ไม่รู้ท่าในฐานะที่ปล่อยให้พระเจ้าวิเทรัสสัตตุโยใหญ่ของเราไปแล้วนั่นเองโอ้สดได้ฟังพระาราชาดําไรก็หัวเราะคิดว่าพระเจ้าพระราชาพระองค์นี้ยังไม่คงไม่ ส, งสรงทราบ ว่าเราได้จับมาเหสีพร้อมไปด้วยโอรสทินดาทรงไปเมืองวิทิลานาค <c oughs> รยิงคิดแต่ที่จะทำโทษเราและทำอย่างแสนสาหัสด้วยความพระพิโรธโกรธจรัดเราจะต้องแจ้งเรื่องราวนี้ ส, งสรงทราบเมืสส่อสรงทราบแล้วก็คงจะโ่า ก, การดูนิสัญญีภาพจย่บนคอช้างพีนัง คินแล้วยิงกราบทูลว่าขอเดชะถ้าพระองค์จะให้ตัดมือตัดท่าตัดหูก็ตัดจมูกของข้าพระพระเจ้าพราเจ้าวิเทียร่ายก็จะตัดศีรษะนะจะตัดพระหัตจะตัดธรรมบัตจะตัดพระกันแล้วก็นาสิกเขามาเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาและเวลาเจ้าหนุนนี่เหมือนกันพระเจ้าค ข้าพระองค์ให้เสียบข้าพระองค์ดิ่นหลาวไปหลาแล้วก็ย่างไปพระเจ้าวิเทยียรายก็คงจะมีรับสัง่งให้เสียบพระมเหสีพระราชบุตรพระราชินาและสมเด็จพระราชินีเหมือนกันพระยาค่ะแล้วก็ย่างไปถ้าพระองค์ทิ้งแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจะะะา้ า, าจวิเทยียรายก็จะทิ้งแทงพระบุญญาติของพระองค์ด้วยหอกเหมือนกัน ถ้าพระพุทธเจ้าและพระเจ้าวิทยรารัชนได้ตกลงกันไว้ดังที่กราบทูลในทรงทราบเช่นนี้พจเจารณาเอาดาัสิชักยุ่งแล้วพระเจ้นาจุลนีได้สะดับพ้อยคำขอ ง, ของโมโหสดยิงทรงสงสัยว่าทำไมโมโหสดยิงพูดกับเราอย่างนี้ยิ่งนั้นว่าถ้าเราทำโทษยังไงกับเธอ ก็เ จ, จ้าวิเทียาร่าชก็อย่าทําโทษกรรมเฮสีบททินดาและพระราชมารดาของเราอย่างนั้นจะรอยอโมโหสถไม่รู้ว่าเราได้จัด ก, การรักษามเมเฮสีพระราชโอรสของเราไว้ไม่ที่ปลอดภัยแล้วเห็นจะเพ้อไปตามลักษณะของคนกลัวตายมากกว่าเราจะไม่ฟังคําของมโหสดยิ่งแตดวัดดูก่อนมโหสถ เจ้าเจ้าอย่าท่ำเพ้อไปเพราะกลัวตายเราไม่ยอมฟังคำของเจ้าบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วข้าสัตวว่าเห็นพระเจ้าจุ น, นันนีไม่ทรงเชื่อถ้อยคำที่ทังกล่าวจึงกลับวถึงว่าถ้าแต่บรมกษัตริย์หาพระองค์ไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของข้าพระองค์ก็ขอเชืิญพระองค์เสด็จไปทอดกนเนศ ราชินีเวทของพระองค์ซึ่งว่างเปล่าเถิดพระเจ้าค่ะอันไหนคนที่ได้เปรียบทุกอย่างมันก็หมดเรื่องกันพระราชมารดาคนดีพระมเหสีกนดีพระราชบุตรพระราชธิดาของพระองค์ได้ถูกทหารของข้าพระองค์จับนำไปถวายพระเจ้าวิถีฮะราชแล้วพระเจ้าค่ะเอ๊ะตอนนี้ชักยุ่งใช่จะงงงไปซะแล้วทีะ อ๋อ oh, แล้วเทอไปหมดนะเป็นอนุวาเป็นเป็นอรชักงงชักงงไปหมดเอ๊ะจะมันยังไงกันแน่นระหวา่าเออเป็นอนุวาพระราชรรดาเขาไม่ไดสีเขาไม่ได้บ่มทั้งอดีตบทราชิดาครองนั้นได้ถูกข้าพเจ้าเอาอาหารจับเสียแล้วอย่ามาพูดเก่งไปเลยไม่เกิดประโยช น, น์พระเจ้าจุนีได้สดับอย่างนั้นจกียงทรงหัว น, นั้นนึกถึงเสียงร้องเมื่อตอนกลางกิน ซึ่งพระอง์ได้ยินเสียงของพนางนนทาเทวีมเมสีและะ้วมโหสถได้กล่าวถ้อยคำยืนยันเป็นความจริงเช่นนั้นก็คิดว่าหน้าโกรจะเป็นความจริงโซนะวันกวายพระไทยอย่างเหลือล้นแต่ก็โซนงับไปได้ไม่แสดงออกให้มโหสถเห็นเพื่อเห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจัดอำหมายคนหนึ่งให้เบนดูพระราชนีเวศ ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงดังที่มาฮอสดพูดหรือไม่แน่เข็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอนมาตพ ร, ร, ร้อมเบญราชวรสิด้พากันยังไปดังพระราชนิเวศเปิดพระตวายนเข้าไปเห็นคุณดาพระราชนิเวศพร้รอมด้วยนางข้าห ล, ลวงต่างถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ผูกปากติดมิดชิดพูดไม่ออกแต่ว่าให้ใจออก ไว้กับเสาบ้างไว้กับต้นไม้ที่ยื่นออกมาบ้างเครื่องพ่อชนะที่ก็ถูกทุบแตกทำลายของเกี้ยวของบริโภคเ ก, ก่เงกลาดไปหมดห้องพอระคลังถูกเปิดทรัพย์สินไม่มีเหลือห้องที่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับก็วางเปล่าอันมาดฟ้อมไปราชบัลุรยังได้รีบกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะ ในพระราชนิเวศปรากฏดังที่มโหสถกราบทูนจริงพระเจ้าค่ะตอนนี้หน้ากุยตกขอช้างตายพระเจ้าจนุานีได้ฟังอามากราบทูนท่งเสียกะไทยที่ต้องพัดคลาจากกษัตริย์ทั้งสี่แล้วก็ทรงพระบิโรธมโหสถระเนตกระแดงกลำ่ำเหมือนกังูพิษถูกตีได้ท่อนไม้ เกมดัดว่าโมโหสถทําแก่เรามากนักนะไอที่จะทำแกเขาน่าไม่คิดเนะี่ยเขาทำเขาบังเอิหาเขาทําตอนนี้เขาบอกว่าโมโหสถพัฒ น, นาความงามเข า, าพัฒ น, นาพัฒ น, น, น, น, นะ น, นานันทนาเทวีนะโมโหสถเห็นว่าเจ้าจุลนีสแสดงกากรเกลิ้วมากเกมได้คิดว่าพระราชาองค์นี้นี่อาจจะทำร้ายเราได้วขัติยะมานะ แใ น, นถ้าทรงอาจจะเห็นความสําคัญเขาก็สัตว์ทางศีลนั่นก็ดันเราจรึงต้องพ น, นาความงามของว่านาง น, น, นันทาเทวีให้ทรงระลึกถึงว่า น, นางเขาไว้เชื่อว่าคงไม่กล้าจะทําอะไรเพื่อทรงและใครพระมเหสีของพระองค์มากพระองค์จะต้องทรงดํามิว่าหากข้าเราตายพระเจ้าวิเทราชก็ยังต้องฆ่านางเหมือนกัน นี่เขาว่าหาทางป้องกันขึ้นเชื่อคนที่ไม่กลัวตายไม่มีโอ้สดคิดดัง น, นั้นแล้วะได้กราทูลพ น, นาความงามขอมนางนันทาเทวีพระเจ้าจ น, านีพรมทัดฟังว่า ข, ข้าแต่สมมติเทพพอมนางนันทาเทวีพระมเหสีทรงมีพระสิริโสมติงามผุดทองพระเวีวันบระสิทธิเอาทองเ ข, ข้ามาทาบทาประเทืองผิว พระโสนิกร ะ, ระดุดจะแผ่นทองคำธรรมชาติพระสเสียงภัเราะจับใจพระมันาติเยื้องกลายก็ ง, งามสงา่าถ้าภูสาธททิทรงที่ทรงกระทัรัฐนะสงส่วนกระโชมก็บาทสดใสกระโลหิตแดงขึ้นแดงทรงได้ลักษณะของเบญจกนิยานี พระเนตแหนก็เนตด่งกับพระตาขอนกขีราบพระโอสแดงดุดจ็บผลดำเล็งุขบันพระองค์คึมันเอวเล็กเรียวดุดจ็ดเท้าอะไรเท้านาลัขดาแล้ก็พระศกดำสนิทโช้อยาวอออะไรประพระอานนะพระศกนะ อันนี้ก่อนห้ามพระศบดำสนิทช่อยใหญ่ช่อยยาวประพระังสาดวงพระนายนาดังอันดยงาหนก็ดวงตานะดวงพระนายนาสวยสะอาดของใสแวววาวคล้ายตาเนื้อทรายพระพรางามดัดเดกเกคุณชลชาติพลันลาดเลิศลักวิไล่พระย่คลาัน ดังกระบุมทุกส่วนในศีรษะดังกายเขาบันนังแม่้ชมพ่ะนแหนบสนิทเล่นเนอาว่าเจ้าชนนี้โนทรธรํตมตาลลำลายหยดติงติงติ ง, ตงเลิศล้ำนารีาลักษณะและสวยที่สุดเลิศ ก, กวานารีใดๆเป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้ากราบทูชนีพระเยาว์ขัเมื่อมโหสถกราบทูลพนาความงาม สิษสรีรโฉมของพ น, นางจันทาเทวีแลดวระเจ้าจุล น, นีทำเอาวัจเจ้าจุล น, นีทรงบรังเกิดความเสน่หาในพ น, นางคล้ายกับว่าพระองค์ยังไม่ได้เคยทอดเสน่ห์ถินมาในการก่อนทนะเอาสิมีลูกทั้งสองคนลูกเป็นนุ่มสาวแล้วยังยังไม่เบื่อโอ้สดทรงทราบจากอาการของพระเจ้าจุล น, นีว่าเวลานี้ พระองมีความเสน่หาอะไรนะพระนางนันทาเทวีเยเล็กราบทูลเพิ่มเติมว่าเอาอหน่อยนะเวลาเล็กน้อยนาทีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพัชันดาของนางนันทาเทวีหาพระองค์ทําให้ข้าพระพุทธเจ้าตายพระราชาของข้าพระองค์ก็จะทำให้รนางนันทาเทวีสิ้นพระชนม์เหมือนกันเพราะฉะนั้น เรื่นางจับม่านนางเจ้ากับข้าพระองค์จะไปสู่สํานักพยาโยนด้วยกันไม่เมื่อพยาโยมเห็นข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองก็จะยกนางให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเอาสิจะไ ม, ม่มีเมียมันรกเมื่อเป็นเจนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องกลัวตายเพื่อประโยชน์อะไร เ็ตายไปแล้วก็ยังจะได้สตรีแก้วเช่นพระนางนันทาเทวีมาเปโ็นคโู่ครองอโลโลกหลานที่รักฟังไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ถึงไหนกันแน่เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคน แล้วขอจงมีเดบรนดาดั่นพุทธศาสนิกชนในโลกหลานที่รักสวัสดี